จอเนี้ยหลวงพ่อเขียนไม่ได้มาเด่ติดต่อกันมาสามวันติดท่านก็นเน้นให้เป็นผู้ดูดูแล้วเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นกับอะไรกับอะไรกับอะไร นั่นเป็นจุดสิ้นสุดของการแสวงหามันก็จบเป็นอยู่ตรงนั้นการเรียนรู้การฝึกการหัดทำให้เป็นทำเป็นมันก็ได้เพึงแด่ใส่ได้ใช้ จนชีวิตมันไม่มีภัยเมื่อกี้พาส่วจร่างกายของเรามีอาการ32้แต่หัวจรดเต้าจากข้างนอกสู่ข้างในตาดหน้ามีเลษมีเลือดมีหนองมีเหงื่อน้ำหมดน้ำไหล จิตใจของเราก็พ า, าสวดเหมือนกันอโนปปังก็มาทำมามนโนเสรษามโนมยาจากนั้นก็พาสวดเองปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรมมอใดเห็นธรรมผู้นั้นก็พบกับพระพุทธเจ้า ไม่ได้เจอพระพุทเจ้ามันนั้น ก, ก็ใจเรื่องธรรมะแหละปฏิจจสมุปบาทมันคืออะไรก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็สัมผัสกันอย่างละละปฏิจจไฟบวกไฟลบไฟอนุโลมปฏิโลมความไม่รู้รู้ไม่ถูกอวิชชาทำให้เกิดสังขารกันปรุงกานแต่ง กายสังขารจิตตอสังขารว่าจิสังขารการปรุงการแต่งทางกายว่าใจสังขารเนื้อเกิดวิญญาณวิญญาณคืมันรู้การู้ความไม่รู้ได้เกิดการปรุงอริยช า, าเนื้อกิดสังขารสังขารนื้อเกิดวิญญาณหลังจากนัน้นก็ไปต่อ วงจรปฏิจจสมบาทเป็นกฎกองธรรมชาติเกิดนามรูปขึ้นมานามรูปไมายถึงว่ามันสัมผัสจับต้องไม่ได้แต่มันก็เป็นรูปอยู่ดีเช่นภาพมโนภาพต่างๆนั่นแหละคือนามรูปแหละคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดเห็นน่นั่นคิดเห็นน่นี้จินตภาพมายาภาพ นามรูปนามรูปตั้ให้เกิดสลายยตนะแล้ก็ปรากฏมาดังนี้ตาหูจมูกลิ้นตวานต่างๆส่งต่อๆกันไปเป็นทอๆแต่ไวเกิดการสวยลงมาเกิดพัฒนะพัฒนะกระทบทันที เกิดความรู been, ä, ้สึกได้เวทนาสุขุกุกุกทุกสุขสุเวทนาทําให้เกิดต่อไปอีกตารุณไม่ทันันไหลไปเรื่อยเกิดตัณหาเกิดอุปทานขึ้นมาทยานอยากจะไปเอาเข้ามาจะไปเข้าพักใส ิงปลุออกไปผิดปกติออกไปตะยานยากตันหาอุปทานยึดลักนีพอยึดก็หนักหนักเบาเบายึดก็หนักวางก็เบาเอาก็หนักปล่อยก็เบา มันก็จะได้เห็นขณะที่เราปฏิบัติ ร, รมจิตของเราหลุดผิดปกติมีความเป็นกลางมีความว่งงวัยวัยปิปิพัณธ์ฉลาดเฉลียวไม่ได้ฉลาดอย่างเดิมเฉลียวด้วยรอบคอบแต่มันก็ ได้ใช้ตามหน้าที่ขณะต่อขณะหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าตอนหาอุปทานพบชาตจรามรณะก็ตามมาพบหมายถึงอะไรก็พบก็หมายถึงว่าก็เรามาพบกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยแหละเรามาพบกันบางทีก็พบกันตอนธรรวัดเช้า พบกันเมื่อทีมีการงานาธาตุเดียวกนันก็จะไปห า, าธาตุเดียวกันเหมือนกับนอกขี้เราใคไปเจอคี้เราคนชอบส้มตำเราเจอที่ร้านส้มตำพบมันเป็นอย่างนั้นคนทํางานโรงพยาบาลก็ไปพบกันทุกวันตามหน้าที่พบรูปธรรมแต่ว่านามธรรมกิอในจิตของเราเคยทําอะไรมาล่ะทีนี้ ตอกย้ำอะไรมาให้กับตัวเองจริตนิสัยเป็นอย่างไรมันก็จะพุดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อา้าวทาไมคิดอย่างนั้นอ้าวทำไมคิดอย่างนี้น ม, นมันเป็นพบเกิดขึ้นมาในจิตมีทั้งรูปประพบก็คือเราเจอกันสัมผัสกันหมูหมากาไก่วัวไฟต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยอันนี้เป็นรูปประพบร่างกายเราสัมผัสได้เป็นรูปประขันี่ย รูปภพอารูปภพมันมีอยู่ไม่มีรูปรูปราคะอารูปราคะมันมีอยู่บางทีเราก็นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เสิ่งนูน้นภูมิใจพอใจไม่พอใจอันนี้แหละเรียกว่าพบในจิตของเราเราจะเจอรู้จักตัวเองดี เราคือใครชอบคิดอะไรปรุงแต่งอะไรไม่มีใครรู้เราแต่เรารู้ดีรูถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชัวร์ a บ k ็คโ ฮ, โฮมุมมืดไม่ต้องให้ใครรู้เราแล้วเราก็ไม่ต้องไปรู้ของใครด้วยตัวใครตัวเรามุมส่วนตัวส่วนตัวพบชาติฉราหมรณะมีพบก็ต้องมีชาติ เกิดได้ไหมมันเกิดแบบไหนแบบโอปปาติกะผุดเกิดขึ้นมาแบบขันสี่ขันไม่ต้องห้าขันตายก็ไม่มีซากเทวดาพรหมผีเปรตพวกนี้สัตว์ในลกในจิตในใจมันมีอยู่ตายไม่มีซากแต่ม น, นุษย์เนี่ยมีซาก รูปขันอารูปขันก็คือรูปนามนั่นแหละรวมน้มกันหนะ้านมะมาเกิดชาติขึ้นมันก็แน่นอนแล้วนะคุมดีคุมร้ายฟูฟูฟแฟบแบบวกบวกลบๆบนะเราคงจะได้เห็นกันตอนปฏิบัตินี่แหละไม่มีตัวตนนะสิ่งเหล่านี้แต่เราสัมผัสได้มีพลัง บางการไปเราไม่ต้องยกมือยกมือไม่ขึ้นเดินจงกรมไม่ได้ไปเถอะไปเถอะไปที่ชอบที่ชอบไม่เกิดเป็นอะไรมันเกิดลักษณะยังไงสังเสิชะชะชราพุทธชะอันตชะโอปปปติกะก็เกิดขึ้นมาในคันในไข่ในน้ำมดูดเน่าของมาของเหม็น มันไม่ธรรมดาดิเดียนะเวียนว่ายตายเกิดนะวัฏฏะสงสารนะมาเกิดกันมาแล้วต้อมีดับก็เหมือนกับว่าความคิดของเรามาทุกเรื่องก็ดับไปทุกเรื่องทุกๆความคิดไม่มีความคิดอะไรมันจะค้างอยู่อารมณ์ค้างตกค้างอันนี้ก็คือคนที่ค่อนข้างจะปกติดี เป็นมนุษย์จิตสะอาดสว่างสงบมันจะไม่เหมือนก็ต้องรับใช้กรรมวิบากยาวนานมันมีกรรมมีกฎแห่งกรรมมันมีผลของกรรมมีผลของกันกระทำทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเหมือนลอกเวียนหมุนตามรอยเท้าโกทำสิ่งไหนก็ติดสิ่งนั้น หัวรอะได้ไหมร้องไห้ได้ไหมดีใจเสียใจโกรธแล้วโกรธอีกเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอสุรกายสัตว์นิรชาญเทวดาพรหมเป็นชาติจรามรณะเกิดขึ้นมาโศกาปริเทวตุกอุ ป, ปายาสะปฏิจจสมุปบาท เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเนะี่ยตาในมันก็ลืมหูลุ่นตามเป็นเหมือนกันกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานก็เรียกว่าวิปัสสนาสติปัญญาตาในมันก็จะมาเห็นตัวเองอย่างนั้นเราสวดในบทสวดนะอยู่ในหนังสือแต่เวลาปฏิบัติมั น, ม, นมันอยู่ในตัวเรา คนอื่นพูดอยู่ที่คนอื่นแต่พอปฏิบัติมันก็เห็นในตัวเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนมันก็อยู่กับเราเดินมันก็เดินด้วยนั่งมันก็นั่งด้วยนอนมันก็นอนด้วยจะทําอะไรก็ตามกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็เลยเห็นมันก็พอมันอยู่กับตัวเราแล้วเราก็มาดูตัวเรามันก็ต้องเห็น เห็นแล้วเห็นอีกเห็นบ่อยๆเห็นจนจำแม่นเห็นใส่เห็นปุ่มไม่เห็นเขาก็ต้องเห็นเราไม่เห็นเราก็ต้องเห็นเขาจริงเดียวกันไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่เราก็แลยในลำบ้าเฝ้าดูตัวเองไม่ได้ไปดูใครดูเราก็เห็นเรา เห็นเราก็เห็นธรรมเห็นธรรมเห็นว่าเจ้าเห็น เ, เจ้ า, เเาก็เห็นเราไม่เห็นเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำมันจะไปตัวเองทุกทำใหม่ mm hmm. พระจิตใครัก็ปรารถนาสุขเกียดติทุก mm hmm. สุขของคณะหัดกัจาจาาสุขเกิดจากการทำงานที่บริสุทธิ์ที่สุจริต mm hmm. มนได้เงินมาได้ทรัพย์จากความบริสุทธิ์ก็มีความสุข เราจักใช้จ่ายแบ่งเป็นหลายๆกองกองหนึ่งทําบุญกองหนึองไว้ใช้เองกองหนึ่งไว้รักษาโรคกองหนึองไว้ให้พ่อแม่อีกกองนึงก็เพลีทําบุญทําทานเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมในโลกเบื้องหน้าก็พ่อแม่ของเราเบื้องขวาก็ครูบาอาจารย์เบื้องซ้ายก็มิสหายเบื้องหลัง สามีภรรยาบุตร<ม>เบื้องบนสมณชีพพราหมณ์เบื้องล่างกับบริวาร<ม>เรารู้จัก<ม>เกี่ยวข้องตามสมมติบัญญัติผู้ให้ก็เลยรับความรัก<ม>ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับบองที่ต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณ อนุโมตนาแต่บางทีผู้ให้ก็ต้องอนุโมตนาด้วยเหมือนกันอย่างเช่นญาติโยมมาปฏิบัติงา น, นมนาบอกเอออนุมาก็อนุโมตนาอนุโมทนาถ้าญาติโยมไม่มาวัดป่าสตโตไม่มีค่าเลยเลยมันมีค่ามาได้ <Yeah. S 1> เกิดคนเกิดค่าเพราะมีคนมาปฏิบัติทำ มันไม่ได้เป็นไปเพื่อรับสการ์ละมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเสียงสรรเสริญมันไม่ได้เป็นไปเพื่ออะไรมากมายแล้วเกินแต่เป็นเหตุปัจจัยของพระ菩萨หนาที่ ม, มีอยู่แบบไทยๆนี่แหละจิตปัญญาณแบบไทยๆเราล่ะรู้แล้วรู้แล้ว ที่ว่ารู้แล้วแล้วก็รู้ว่าทุกทุกทุกมีกายกทุกข์เพราะกายมีงานกทุกข์เพราะงานมีบ้านทุกข์เพราะบ้านมีคนกทุกข์เพราะค น, นเราปรารถนาสุขสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องต้องมีร่างกาย มีจิตมีใจมีคุณธรรมต่างๆศรัทธาก็มีมันก็เป็นอริยทรัพย์ภายในของเราความเชื่อมีสติมีปัญญามีทานมีศีลมันเป็นอริยทรัพย์มีความอายชั่วกลัว บ, บาปวิริออตปะหลายอย่างคุณธรรมต่างๆ ได้เห็นกันบ้างไหมปฏิบัติมาวันนี้จะกลับแล้ว mm hmm. ความอมดทนเนี่ยตะบะ mm hmm. เห็นบ้างไหม mm hmm. ในตัวเราขันติ mm hmm. ขณะยกมือ mm hmm. หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจงกรม mm hmm. เห็นไมมมีความอดทนอย่างไร mm hmm. คุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาไม่เคยทนก็ต้องทน mm hmm. ไม่เคยที่จะถูกมัดมือชก mm hmm. เคย อยากทานอะไรก็ได้ททนอยากร้อนได้ร้อนอยากเย็นได้เย็นอยากเปรี้ยวได้เปรี้ยวอยากหวานได้หวานมาทีมทีคนสุดท้ายอาหารนี้ไม่ค่อยพ อ, หอเหลือแต่น้าแกงเราก็ได้ฝึกกันได้หัดกันปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร่างมัน่างมันมันพูดมาจากหัวใจแบบนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร เินทาก็รู้แล้วสรนเริญก็รู้แล้วมันรู้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ผ่านไปแป๊บแป๊ดวันแป๊บแดวันพอเรามีความรู้สึกตัวเป็นคู่เป็นที่พิ่งอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานโยมเคยบอก มาวันนี้ยังจำได้อยู่เนี่ยมาที่เนี่ยมันไม่โกรธเลยเนียมันโกรธมันก็รู้ทันได้ไวถ้าอยู่บ้านเนยโอ๊ยมันก็โกรธโกรธโกรธโกรธโกรธกอยู่บ้านมันก็จะมองไปแต่นอกตัวมันจะโกรธแหละแต่พอมาที่นี่เราเห็นตัวเองไม่เอาทุกใส่ตัวทำไมความโกรธ จิตใจของเรามันก็ทุกอยู่แล้วเอาความกลัวไปใส่ให้มันร่างกายแล้วมันทุกอยู่แล้วเอาความกลัวไปใส่ให้มันปรากฏปั๊บชีพจรก็เต้นเร็วหายใจก็ไม่ทั่วท้องมันเป็นทุกแล้วก็สงสารตัวเองเลือกสงสารตัวเองแห่ไปตัวเองทำบุนก็ตัวเองโดยการนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเปลี่ยนไปนี่แหละมันก็จะเป็นอันนี้สง ทำไมเราเหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตต่อไปนี่มก็มีพลังไม่ทมให้ตัวเองเดือดร้อนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวใส่เข้าไปมันก็เห็นแบบนี้กันสัจธรรมความจริง ทุกเกิดที่กายให้มันก็ไม่ใช่แล้วนะหิวก็ไปหาหกินนะเมื่อก่อนเป็นทุกข์เอาความหิว เ, เป็นความโมโหเวลาอยู่คนเดียวมีความหดหู่ว้าเวต้องอยู่กันสองคนสามคนอยู่กับโทรศัพท์มีของเล่นมีเครื่องเล่นต่างๆมีสันนาการมีงานอดิเรก แต่ตอนนี้เราเริ่มจากประเด็นได้แล้วว่าเออจริงๆแล้วให้กายมันอยู่กับใจใจมันอยู่กับกายอยู่ด้วยกันทําอะไรก็รู้สึกตัวมีสติมีสัมผัสัญญาเมันเห็นว่าชีวิตก็อยู่ได้แล้วก็ดําเนินชีวิตไปสู่ความสุขความจเจริญเป็นปกติ ตอนนี้สังเกตได้เลยนะว่าร่างกายของเราเป็นปกติไหมหน้าตานำลงวางร่างกายของเราถ้านั่งมันก็คลายๆใจมันก็เป็นกลางๆธรรมดามดาปกติแต่มันมีทุกๆวันอะไรจะเกิดขึ้นทุกๆคนมีความเป็นปกติก็พะหันเต็มโลกพลันหันก็หมายถึงว่า มันมีแต่วิชามีแต่วิชามีแต่ความรู้รู้ก็รู้ถูกพระหันนิลาอะไรบ้างกะละรูปราคาอารูปราคามาณทิฏฐิละสิ่งเหล่านี้ฟามฟุ้งแานอุทันจากุกุจะกกุกๆกุกุกุก็ไก่เขียกุกๆกุกุกุก อุทันจะกุขุจะคิดแบบไก่เขียฟุ้งซ่านคนจะล่าความฟุ้งซ่านได้ราดักพาหลานเลยนะพระเด็นของเรายังฟุ้งอยู่ไม่แปลกใช่ไหมถ้าไม่อยากฟุง้งกลยใกล้พาหลานเต็มดีแบบนี้เผลอๆไม่ได้กลับบ้านแล้วนะจะบวชจีบบวชปลาหมดแล้วพ่อเมันร้รลาที่สุดมันอยู่ตรงนี้ด้วย ความไม่รู้อวิชชาะตะละได้ก็ตรงนั้นเลยนะอันนี้เป็นคุณธรรมของพ่าละหันพระโสดาบันเนี่ยมันเห็นกายของเราตามความเป็นจริงมันก็ไม่ติดกายเรียก ว, ว่าสกายยะทิธิอย่างเรายกมือนะ่ะเราจะรู้เลยว่าติดไม่ติดมันจะบอกเราเลยนะถ้าติดเนี่ยจะหนักแน่นจะรู้สึกว่าไม่ไม่คลายยกเนี่ยจะรู้สึกว่าเรากับกายเนี่ยมัน น, น, นึบกันอยู่ สังเกตได้ไหมแต่ถ้ายกแล้วทำดาธรรมดาโล่งๆโอ้มันใช่แล้วล่ะมันยกมันแมวยกะมันเคลื่อนแมวเคลื่อนมันรู้มันแยกกันนะแต่ต้นแล้วสกายยาติติศีลพระตาปรามาเนี้มันยกเนี่ยมันยกว่าะมันได้เอารูปแบบมันเอาการเคลื่อนนวามรู้อยู่แล้วผลของแบบเนี่ยมันใช้ได้แต่รูปแบบจริงๆใช้ไม่ได้ เราไม่ได้ใช้รูปแบบแต่ว่าเราใช้รูปแบบเป็นการวัดจิตของเราเช่นโทรศัพท์มันก็มีแบบของมันแก้วมันก็มีแบบของมันเราไม่ได้ใช้แบบเราใช้ผลผลิตที่เกิดจากแบบแต่ว่าขณะที่มันผลิตอยู่แก้วมันก็ต้องใช้แบบอันนี้เรากำลังผลิตอยู่ให้สติมเจริญเจริญสติอยู่นมันก็ต้องใช้รูปแบบผลิตอะไก็ปี้เข้าไป ทำมันไม่ปกติมาแล้วมันก็หลุดนอกแบบบวกบวกลบล บ, ลบฟูแฟบไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมมันเป็นอาธรรมอกุศสลธรรมอย่างเงี้ยมันง่วงเมันเบื่ออากุโสตั้งนั่นเออแต่ท้ายสุดเราก็ไม่ได้ใช้รูปแบบมันก็ถูกแต่วันเป็นแก้วหรือยางมันขึ้นลูกหรือยาง กรีตเทใส่แบบมันเจ็ตตัวหรือยังมันตั้งมั่นดีหรือยังจิตใจเราเกิดกำลังสมาธิหรือยังขณะอยู่ในแบบนะตรงนั้นตะหาเราก็สังเกตได้เวลามันตั้งมั่นรู้สึกตัวตรงนี้มันจะนิ่งๆนั่นแหละจิตมันตั้งมั่นแล้วกำลังก็สมาธิเกิดแล้วตรงนั้นเราปัญญามันกำลังแตกฉานแล้วะตรงนั้นมันไม่ได้ติดหรอกศีลพระตถาปาราม่าน วิธีนี้ถูกวิธีนั้นผิดวิธีนั้นผิดวิธีนี้ถูกต้องไปทะเลาะกันอะไรมากมายคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนั่นอาจารย์อันนี้ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่แล้วเพราะว่าทุกคนก็คือครูสอนซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ทางอารมณ์ของเราเองก็ตามคือครูทางนั้นเลยมองว่ามันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีใ น, น, นโลกใบนี้มีสติปัญญาอย่ไม่ใช่ดีหมดทั้งโง่ต่อให้ของดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีนะ คนดีขนาดไหนอยู่ด้วยกันรักกันขนาดไหนถ้ามองไม่ดีนะนะมันฟ้องถึงอะไรบางอย่าง mm. คนเห็นคนเป็นคนคนนั้นก็เป็นคนคนเห็นคนมีธรรมคนนั้นก็มีธรรม mm. คนเห็นคนไม่ใช่คนคนนั้นก็หาใจคนไม่ mm. เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันก็มองเป็นแค่วัตถุอาการธรรมชาติก้อนหนึ่งธรรมสันะ mm. ตว์สัพสิ่งศีลตะาปลาแม เราก็จึงอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกวิจิกิจฉาก็คือมันสงสัยอยู่วิจิกิจฉาถ้าสงสัยอยู่ยังไม่เข้ากระแสของพระโสดาบันหรือว่าเข้าสู่สภาวะของพระโสดาบันมันมีจริงๆน ะ, นะสิ่งเหล่าเนี้ยแต่เราถอดรหัสมันยังไงกันเป็นของเลื่อนเลื่อนรอยหรือว่าของที่มัน ดูแล้วมันของคนอื่นคนอื่นมีเราก็ไปสตาคนอื่นไปกราบไปไหว้เขาอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นไปปฏิธรรติดครูก็ไม่ได้แนละ้วบอกใหติดคําว่าครนะูบุคคลบัร ถ, ถุกไม่ได้ติดอะไรไม่ได้เนงะีมันเป็นแล้นะของยังไม่หายสงสัยเพราะฉะนั้นไปปฏิธรรมเนี่ยนะผู้ศรัทาเราชี้กับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ชี้อย่างเงี้ยเลยสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานก็อยู่ที่ลมหายใจนะอยู่ที่รูปธรรมนามธรรมของเราที่เรารู้มันนิพพานก็อยู่ตรงนั้นนะทุกเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกข้าวลงออกจากความทุกข์มันก็จึงมีเรื่องของทุกทางเดินก้าวลงออกจากความทุกข์สติสีสมาธิปัญญามรรคผลนิพพาน กุญแจดอกเองที่จะถอนรหัสนก็คือความรู้สึกตัวเราก็จะได้ไต่ฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็พัฒนาเป็นลำดับขั้นตอนอนุบาลปฐมมัธยมและอุดมศึกษาแล้วก็จบให้เป็นอนุบาลเป็นยังไงก็ เ, เห็นกายในกายนี่แหละไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขา ปฐมเป็นไงก็เห็นเวท น, นาสักว่าเวทนาสิไม่ใช่ตัว ต, ตนบุคคลเราเขามัธยมเป็นยังไงก็เห็นจิตในจิตสระดับมัธยมไม่ใชต่ตัวตนบุคคลเราเขาระดับอุดมศึกษาเป็นยังไงก็เห็นธรรมชาติสิตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องอุดมศึกษาเห็นธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรม แล้ก็เรียนจบไปลุยโลกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปโลกทั้งใบเป็นของเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็อยู่อย่างมีสติเป็นผู้ที่มีสตินะอยู่ในโลกนี้ยังไม่เป็นทานอยู่อย่างเป็นเจ้าของทำอะไรทั้งอย่างเป็นเจ้าของแล้วไม่เป็นหนี้นี้กรรมไม่มี ม, มีต่โอโหสิกรรมโอโหสิกรรมโอโหสิกรร ม, ก, รรมก็จึงสมมุติบัญญัติเอาไวนะ้ชัดเจนว่าในวินัยนะ อย่าไปปรับคนที่สมมติให้เป็นพระรหันต์นะทุกคนถ้าใครเราสมมติว่าเป็นพระรหันต์แล้วท่านมีสติเป็นวินัยทำอะไรก็ทำไปเพราะว่าใจเรามันทำโดยเป็นธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติทั้งหมดตรงนี้แหละมันเป็นเป้าหมายปลายทางของชีวิตเราทุกคนก็คืออิสระเสรีทางจิตวิญญาณอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างเป็นอิสระเสรีก่อนตายนะ ดีไหมพวกเร า, าดีไหมทางจิตวิญญาณไม่ต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกโกรธแล้วโกรธอีกดอกเตอร์มันก็ทุกแบบดอกเตอร์นั่นแหละเป็นญาโททุกแบบปริญญาโทนั่นแหละเป็นญาตีก็ทุกแบบปริญญาตีนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนเรื่องก็เล่าว่าดอกเตอร์มันก็จบมาหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีด็อกเตอร์เลยอยู่วันดีคืนดีนี่แหมมิวใจก็หนงจบดอกเตอร์ คนที่มีลูกสาวก็อยากจะยกลูกสาวให้ละ mm. มันมีเกียรติ mm. มีศักดิ์ศร mm. ีทีนี้มันมีอาทิตย์สึกใหม่เขาสึกใหม่ mm. ก็ตั้งใจว่าทำดีก็ น, นี้พอสึกใหม่ปั๊บมันหน้าฝนก็ไถนา mm. Mm. อยู่กับธรรมชาติทำงานหนักกะผิวปา่ามีความสุขขุด mm. ดินทำเพลงเบาเบามีความสุข อยู่ธรรมชาติปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งก็มีลูกสาวดกรก็มาชอบด้วยเป็นสาวงามประจําหมู่บ้านแต่ว่าพ่อนี่มีศีลมีธรรมพอสมควรก็อยากยกลูกสาวให้กับอาทิตย์พระอาทิตเป็นพระศึกใหมนะ่ก็เป็นคนที่เรียกว่าคนสุขนะคนที่มาบวชแล้วก็ถือว่าเป็นคนสุข ก็ถือเนันเป็นบัณฑิตก็คือทิศนั่นแหละมีนาเยอะนฝนตกมาจะได้ไถานาดำนามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีความอดทนทีนี้จะยกให้ใครดีดกรก็น่าสนใจนะทำงานใช้สมองสังคมยอมรับก็เลยตัดสินใจจะเลือกลูกเกยแลยนะ้นี ให้ด็อกเตอร์นั่งหัวเรือไอทิศภายเรือไอทิศนี่ทาอะไรก็ทาเป็นหมดด็อกเตอร์แวตะพูตะกุยปตาก็เลยลองภูมิภายเรือไปเห็นอะไรก็จะถามโดยซีมันจะตอบไปว่าอย่างไงไปเห็นลูกมะพร้าวลอยน้าตุ๊บปองตุ๊บปองตุ๊บปองด็อกเตอร์ลูกลองดูซินะลูกมะพร้าวมันลอยน้ำมันลอยได้อย่างไงะ ด็อกเตอร์เลยพูดแบบพระเอกเลยนะอ๋อพ่อครับลูกมะพร้ปปาวเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ข้างในมันกลวงแล้วก็ผลมันมันน้ำมันซึมเข้าไม่ได้มันก็เลยลอยน้ำนครับข้างในมันกลวมเบาเหรออ๋อไอท้ทิตล่ะแกว่าไง ธรรมดาธรรมดาพ่ อ, อลู่พามลอยน้ำก็ธรรมดางรู่าพายพอพายเรือไปอีกนิดนึงไปเจอเป็ดร้องเสียงดังลู่ล็อ ก, กเตอร์ดูสิทำไมเป็ดมันร้องเสียงดังอ๋อพ่อครับเป็ดคอมันยาวพ่อเสียงมันเดินทางไกลผ่านออกมามก็เลยดังอย่างที่พ่อได้ยินนะครัก้าบก้าบก้าบหลอ อ๋อไอทิสละแกว่าไงธรรมดาธรรมดาพ่อฮะธรรมดาธรรมดาเหรอมันล้อมก็ดังของมันแหละตัวไหนล้องเบามันก็เบาเของมันแหละไปอีกนิดนึงไปเจอลูทำไมมันวาวอย่างนั้นอ่ะด็อกเตอร์ เห็นไหมนั่นนะริมตะหลืง ม, มันมีรูแล้วทำไมมันเบวาวแสงสะท้อนมาเข้าออตาเราแปลกดีเนาะอ๋อมันเป็นเรื่องการหักเหของแสงนะพะ่อแสงไปกระทบกับวัตถุสะท้อนเข้าออตาเรานั่นละคือหลักการมองเห็นทางวิทยาศาสตร์พร่อมันมีสัตว์อยู่ในรูตัวเป็นเปียกน้ำเดินเข้าเดินออกแล้วมันเป็นดินเหนียว เนื้อละเอียดแสงพระที่มันส่องไปกระทบแล้วเราอยู่ในจุดที่มันตอนเข้าประเดีก็เลยเห็นนะพ่ออ๋อเหรอนกเตอร์พูดแบบหลักวิทยาศาสตร์ทิดเอ้ยนั่นแนะ่ะแสงที่มากระทบตาเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะเฮ้ยธรรมชาติธรรมดาธรรมดาพ่อทิดก็ตอบอย่างนี้ ถ้าเป็นเราเราจะยกลูกสาวให้กับใครในเรื่องนี้ยกให้กับด็อกเตอร์พระูดจะาเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วก็น่าสนใจมีเหตุมีผลพูดดยสมองแต่ที่ดูๆแล้วมันกำปั้นทุกดินคำตอบเดียวมันตอบทุกเรื่องเลยสงสัยมันจะงโง่อย แต่ก็นอนไม่หลับนะหลังจากที่ยกลูกสาวให้อติษต์เนะเพราะว่าพฤติกรรมของไอ้ด็อกเตอร์นี่เห็นแก่ตัวน่าดูเลยตื่นขึ้นมามันจะไปทำงานก็กินข้าวก่อนพ่อมันมีวันหนึ่งไปจับปลาดุกในนามาปลาดุกนี่มันอร่อยมากที่ผิวของมันนะหนังของมันเนื้อย่างดีๆนะจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมาก ปากฏว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันรู้มากมันกินหนังปลาดุกนะแล้วมันก็เหลือแต่เนื้อกับก้างไว้ให้พ่อมันก็แค้นมากเลยวันลุกขึ้นพ่อตาก็อยากจะสอนลูกเขยนะก็เลยตื่นเช้า่าลูกเขยวันนั้นแมก่ก็ต้มมัน มันเทศเนี่ยต้มให้พ่อตาก็วันนี้จะแก้แค้นลูกเขยก็เลยปอกเปลือกมันเทศกินจนหมดเลยเหลือแต่เนื้อไว้แล้วก็ค่อยมองลูกเขยว่าเออมันจะไปกินตอนไหนจะได้เยอะเย้ยมันลูกเขยก็กมานั่งกินมันเทศต้มก็ชื่นชมแม่วันนี้ใจดีมากๆเลยนะอุตส่าห์ปอกเปลือกไว้คิดในใจ แม่ผัวแสนดีพ่อตายเห็นลูกเขยกอกมาเยอะๆทันทีเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าวันนี้พอกินเปลือกซะหมดแล้วอืแกแ่แคลนรถเขยให้กินแต่เนื้อวันนั้นเนี่ยพ่อตาไปหาไอ้ทิศแล้วก็ไปปรับทุกข์กับไอ้ทิศทิศเอ้ย เองนี่ข้าตั้งใจยกลูกสาวให้แต่ทำไมเองตอบก็แค่อย่างนั้นวะไอ้ที่ก็ถามว่าอะไรล่ะพอ่อตอบอะไรพ่อตาบอกว่าก็ที่บอกว่าธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติรราตาาาเนี่ยมันหมายความว่าไงอ้าพ่อ วันนั้นนะ่ะพ่อถามว่าอย่างไงจําได้ไหมได้ก็ถามว่าลกูกพาทําไมมันลอยน้ําได้แล้วด็อกเตอร์มันก็บอกว่าลกูกพามันกลวงผิวมันมันมันเบามันก็เลยลอยน้ําได้ส่วนแกนะตอบคําว่าธรรมดาธรรมดาพ่อพ่อก็ลองดูสิว่า หน้าฝนเดือนหกเนี่ยน้ำมันช้าเอาขี้ควายลอยมาในคลองแล้วก็ฟองน้ำก็เต็มคลองเลยมันมีแต่ฟองรูปรุนแล้วทำไมมันลอยน้ำได้ละพออะไรมันจะลอยมันก็ลอยอะไรมันจะจมก็จมธรรมดาธรรมดาเพราะธรรมชาติของมันเหรอือเอ้ใช่เว้ยนะฟองน้ำมันก็ปรุนน้ำก็ยังลอยน้าได้ ปากกระเชิดมัยังลอยน้ําได้โอ้หลายอย่างนะที่ลอยน้ําได้โอ้จริงแต่เพราะฟองน้ําเนี่ยรูพรุนเลยมันเบาเนาะทิ่มกันอะไรจะลอยก็ลอยอะไรจะจมก็จมเออใช่ใช่ใ ช, ช่และไอ้ที่ว่าเป็ดทําไมมันร้องเสียงดังดรบอกคอมันยาวเองว่าไงที่ว่าธรรมดาธรรมดามันร้องดังพ่อไม่เข้าใจว่า อ๋พอก็ลองดูนะกบเนี่ยคอมันมีไหมมันคอสั้นนิดเดียวแต่ว่ามันร้องเนี่ยฝนตกลงมาอบอบอบอบเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยใช้ปากฝั่งนู้นพ่อก็ได้ยินมันธรรมดาพา่ออะไรมันร้องมันจะดังมันก็ดังตุ๊กแกร้องเน่ะตุ๊กแกตุ๊กแกคอมมีที่ไหนร้องดังลั่นเลยโอ้จริงเว้ยนะ ธรรมดาธรรมดาจริงๆว่าเออๆน่าสนใจเลยที่ว่ารูมันสะท้อนเข้าตาเพราะว่าแสงมันหักเหมามีดวงอาทิตย์มีวัตถุมากระทบมีตามก็เลยมองเห็นเองว่าธรรมดาธรรมดามันหมายความว่าไงไหมไอ้ดร็อกเตอร์มันบอกว่ามีสัตว์เข้าออกตัวมันเปียกนพอตัวมันเปียกเดินออกมาเดินเข้าไปดินเหนียวมันละเอียดแล้วก็เปียกน้ำเดี่ยมันก็เลยมันวาว โอ้ยไม่จริงหรอกพ่อพ่อดูหัวล้านพ่อใครขึ้นไปเดินล่ะมันแวบเพื่อน่ะแม่ขึ้นไปเดินทุกวันนึกไงโอ้มนเล่นถึงหัวเลยนะครับเนี้ยมันธรรมดาธรรมดาพ่ออะไรมันจะมันมันก็มันอะไรจะไม่แววมันก็ไม่แววธรรมดาของมันธรรมชาติของมันเพราเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติแบบไหนแบบด็อกเตอร์แบบไอทิศแบบด็อกเตอร์คือคิดมากอะไรคือความรู้สึกตัวเนี่ย อะไรคือสติเนี่ยอะไรคือรูปธรรมนามธรรมเนยให้สัมผัสซื่อๆลงไปธรรมดาธรรมดา mm. เพราะนั้นไปประทรเนี่ยไปแบบแบบใคร mm. <Hey? S 1> แบบไอทิศนะ mm. ในวันนี้จะกลับไปเนี่ย mm. เดี๋ยวนีน้เราสัมผัส ร, รู้อยู่หรือเปล่า mm. มันไม่ได้หมายถึงว่าเจ็ดวันที่ผ่านมาหกวันที่ผ่านมาไม่ใช่ แต่หมายถึงว่าขนาดนี้เรารู้สึกตัวอยู่เปล่าที่อ้างเมื่อกี้อุปมาอุปไมยจริงๆก็ไม่ได้อยากอ้างอยากเล่าให้ฟังนะเพรามันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอันมาถือว่ามันเป็นศิลปะนะฝ่ายกุศลลธรรมนิทานชาดกหรือว่าอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเนี่ยนะพออยู่ ๆ, ๆผู้สภาว่าล้นๆนมันมันง่วงนอนคนเราอุปมาอุปไมยไป มันเป็นนิทานมันเป็น ก, กุศลธรรมมันไม่ใช่นินทานิ น, นทานเป็นอกุศลธรรมแล้วก็ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลยให้กับสังคมมีแต่กีฬาที่มันทํางานทําหน้าที่ของมันกดหัวแล้วก็มียิทธิพลเราก็เลยเหมือนกับว่าปฏิวัติธรรมไม่ก้าวหน้าเราก็จึงนี่แหละใช้เป็นส่วนประกอบมากมายแล้วกินสวรสมสิส่ง มีภาษาเราก็หยิบภาษามาใช้คนฟังก็รู้สึกว่าเออมันก็ชอบอย่างสังเกตเมื่อกี้หัวร้อคิกคัิกคักฟังอย่างเงี้ยนะทดลองบอกว่าปฏิจจสมบัตินะมันมีวิชาวิชาน้อยเกิดสังขารสังขารนำเกิดวิญญาณวิญญาณนำเกิดนามรูปนามรูปน้ำเกิดะสลายยตนะตรายยตนะทำให้เกิดภัจจะเวทนาตัณหาอุปาทาน ชาติจลามรณะโศกะปริเทวทุกุปายาสะเหงาเหมือนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เปรียบเทียบข้างนอกข้างในหรือว่าศาสตร์ต่างๆที่มีจริงๆคือครูของเราทั้งหมดนะีกุศลอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปรนการเราก็ต้องเลือกถามว่าเลือกอยังไงก็เลือกใช้ความรู้ตัวให้เป็น หรือยังไม่มีหรือว่ามียังไม่พอใช้ก็มันหน่อยนะกาหนดนะเจตนากาหนดนะมีการกากับหรือเรียกว่ากฎกติกาเนี่แหละนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงมีกฎมีกติกนาะมีรูปแบบการปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบให้กับจิตของเราไม่ให้มันไหลไปตามความเคยชินนะไปตามความคิดไปตามอารมณนะ์แล้วก็ท้ายสุด เราก็งงตัวเองสับสนปฏิบัติธรรมปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ยากไม่พัฒนาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแสวงหานะี่มันไม่หยุดการแสวงหาเพราะนั้นมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะหยุดการแสวงหามันบอกถึงเป้าหมายนะมันบอกถึงความหมายของชีวิตเรานะที่จะเข้าสู่ความเป็นอิสระเสรีนะ จะใช้กายใช้ใจอะไนี่มวยเวีทุถูกแล้วมันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้นะผมและตมาก็ขอนะอ้างเอาคุณของพระสีรัตน์ไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์แล้วก็ความดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากุลโลกก็ตามพร้อมทั้งนะ ความดีที่เราได้มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมหรือว่าประพฤติธรรมเจริญสติปัฏฐา น, นก็ขอให้มีอานิสงส์ก็คือให้เราได้เจริญสติจนสติเจริญเป็นสมาธิเป็นปัญญาจนทางเข้าถึงใจธรรมเบื้องสูงก็คือที่สุดแห่งกองทุกเป็นธรรมเป็นคำรรสั่งสอนขององค์เสด็จสัมมาวันเจ้า ก็ขอให้ประสบพบเจอในไปวันชาตินี้โดยตัวหนากน ก, ก, กันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ